เดี๋ยวเราไปฟังเรื่องราวเคดสดี้ อันนี้เป็นแคสิหนึ่งศูนย์หนึ่งเจ็ดหนึ่งสิเจ็ดยามศึกครมลบยามสงบสค่อยมาลบกันเองหรือเ <MS> ปล่าก็ไม่รู้นะ <c oughs> <c oughs> อันนี้คำถามคำถาม <c oughs> ไม่ใช่เป็นคำขวัญคำถาม <c oughs> <อ> <hours> <c oughs> <OL X> เวลามีศึกมาประจันกันทั้งยามศึกตั้งร่มลบ อจรย์บเดียวคยมาว่ากันใหม่กจะเอาไงอืมแผ่นดินไทยเหมือนดินเหนียวเนะหน้าแรงกระแตกแรงหน้าฝนมันอัดติดแผ่นดินเมืองไทยนี่แปลกอืม <c oughs> เป็นดินเหนียวอะ่ะอืมหน้าแรงกระแตกแรงหน้าฝนอัดติดใหม่ มันคล้ายๆาายกับคำถามเมื่อกี้นี่มเสร็จคริ่มลบยาส่วนผสมก็กบลบมันเอง <laughs> ตอนนี้นไม่อยู่ไม่รู้ว่าอยู่ยามไหนเจมแฉ่งจริงหนอนี่เจ้าของเคสซาดี้ลำพึงอย่ง <laughs> <laughs> นี่พระ ส, ระสงฆ์ทศึกษ <laughs> <laughs> าคำสอมสามสาถุมจ้าฝึกฝนเอาไว้สอนตัวเอง แล้วก็สั่งสอนแต่ไม่ง่ายแค่นี้แหละศึกษาฝึกฝนสั่งสอนจบแนละ้วสอนคำสอนสามสัมมาสมมุทธเจ้บแจมแจ้งจริงๆนอเพียงครั้งแรกที่ลูกได้ฟังคำสอนที่ล้นกระจ่างชัดเราดุดบอกทองแก่คนหลงทางจุดไฟนิี่มืดคำสอนขครูพิจารก็จุดไฟศรฟัทธาในตัวลูกให้ลุกโชนนิรันต์อืมไต่ขึ้นไตเติ้นเ นับแต่นั้นมาเราก็ติดตามดูจารย์ดาวธรรมมาตลอดโลกขอตั้งใจมัน่นได้มาสามั่นว่านับแต่นี้ต่อไปจะไม่ขอพระทุกบุญครูไม่ใหญ่อีกตลอดไปสาธุคุณพ่อครูแม้เรียนจบเพียงชั้นป .4 แต่เพียงไม่ได้ทักษะด้านการคำนวณ<ม>ท่านมีสูตรเด็ดเคล็ดลับเฉพาะตัวฟันธงตรงเพงเลย เช่นหนึ่งปากสองใบหูนี่นะสเกลเป็นรหัสก่าหนึ่งเท่ากับสองบวกศูนย์อย่างนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะคือใช้หูฟังให้มากกว่าพูด ถ้มีสูตรเด็ดเคล็ดลับเฉพาะตัวฟันทงตรงผิวทอรหัสเลขเด็ดที่ยั ง, งคล่องแคล่วคุณพ่อและคนรอบคายสูตหวยบ่อยๆมาจนถึงทุกวันนี้โอ้สูตรเด็ดเหลือเกินตัวอย่างสูตรเด็ดเคล็ดลับก็เช่นด้วยวเลขข้ามเสียนพระหรือไม่เลขซ้ําเลขงวดเก่าตามหลักสถิติศาสตร์หรือไม่ เ, <อ>เป็นต้นทําให้ขอหวยนั้ไปเข็ด แห่ขอเลขเด็ด ก, กันอย่างล้นหลาม ม, มาสอบบนเป็กกดีกว่า <c oughs> ดีกว่ากันเยอะเลยคุณ <c oughs> พ่ออยากได้ลูกชายแต่ <c oughs> ก็กลับได้ลูกสาวสามใบเถ า, <c oughs> าเขาก็เป็นอดีตลูกชายแหละ <c oughs> ผู้ชาย <c oughs> ถ้าก็ไปทำยังไงมากก็ไปสามเนาะ จากได้ลูกชายะกลับได้ลูกสาวสามไปเถ้าท่านกับงดหิดจึงดื่มเบียร์เล่าเคล้าความชำ้ำเดิมสามสิบปีปัจจุบันยังดื่มอยู่อขออ้างมัง่ง <laughs> นี่เหตุผลดี <laughs> อักเรีย <laughs> ไม่คิดจะหยุดทั้งเล่าและเบียร์เลยนะ<อ>เป็นแม่ช่วงอยู่ในคานมันดาพ่าคุณยายแพ้ท้อง คุณยาก็าจะนึกอยากดื่มเลือดหมูสดๆ <Good. S 1> ว่าแล้วคุณยายไม่รอเช้าจึงเชือดหมูด้วยตัวเองเกิดดื่มเลือดเดียวนั้นทีเดียวรังพอคลอดออกมาคุณแม่ก็ดิ่งแล้วก็ได้แต่ร้องโอดโอย อ, อาการเหมือนหมูถูกเชือดไม่มีผิดแต่แปลกดีพอเจริญว้จนแตกเนื้อสารดึงเพี้ยคุณแม่ก็ได้พบอากรกับคุณพ่อ oh. ที่สุด ข, ของความรักคือการแต่งงานแต่แต่งแล้วไม่ปลื้มเลยไม่จบเพราะ <c oughs> พบสัจะทําว่ารักคือทุกข์ทุกข์ของคุณพ่อมีเพียงประการเดียวคือไม่ได้ลูกชาย <c oughs> เลยหันมา่อยขวดเหล้าแนบกายแทนคุณแม่ <c oughs> เป็นเหตุให้คุณพ่อมาแล้วเจ้า เมาแล้วจ้าก็มันก็หลายเท่ามันก็หลายเท่าเมาก็าหลายท่าน ม, มันก็หลายเท่าเลยเมาก็าหลายท่านเพราะกินขวดเหล้าดีเลยเส่วนทุกของคุณแม่คือถ้าผุ้นาขี้เมาคลาล้าจะพอใจอบ่านแล้วศิลปะแม่ไ ม, ม้มวยไทยจึงเกิดขึ้น พลังสติจึงเกิดขึ้นสถา น, นสองมักทะเลาะ ก, กันตั้งแต่ขั้นเล็กน้อยถึงรุนแรงทำให้ลูกนี่ได้ชมมวยคู่เอกฟรีอยู่บ่อยจ้าขึ้นแม่กลุ่มใจนะคาก็เลยหัดเป็นขี้เล่าดาวรุ่งหน้าใหม่บ้างต่วันที่3 ม, ม ก, กราคมปี2549นี้เองคุณแม่ก็มีพื้นคันตามตัวและหนังศีรษะ คล้ายเป็นโรคสะเก็ดเงินแต่แพทย์เฉพาะทางด้ผิวหนังตัดชิ้นเนื้อไปตรวจพบว่าเป็นผื่นแท้เรื้อรังเพราอจะรักษาหายไปในตุราคม2549ตัวลูกเองไม่มบุครคนต่อในบรรดาสามใบเทา้าตอนลูกใหญ่ในท้องกับแม่ก็เกิดอาการต่อมน้ำเหลืองที่รักแร้โตปัสสาวะแสบขัดเลือดออกตามไรฟัน ทุกข์ทรมานมากอ๋อคุณแม่เป็นนะไม่ใช่ลูกเป็น hmm. แต่ท่านก็ไม่หวั่นเพราะมีฝันเป็นเครื่องนําทาง hmm. จะเป็นอะไรก็แล้วแต่ฝันดีมาก่อนโ hmm. ดยก่อนที่ลูกจะเกิดคุณแม่ฝันว่าดินลาบร้อย hmm. เป็นทองหนักถึงหกสลึง hmm. นี่แต่ว่ <laughs> าเกินบาทแต่ส <laughs> ามลึงก็ ไม่ครบบาทไม่ถึงบาทอย่างนี้เลยไปรู้ว่าไม่ถึงบาทจะเกินบาทนี่อนี้ทำห้คุณแม่มั่นใจลึกๆว่าลูกคนนี้จะต้องนำความปลื้มไม่จบมาให้จะต้องมีชื่อเสียงในแผ่นดินในทำเนียบเด็กเรียนเกง่งจบแล้วต้องเป็นคุณหมอขอจัดโรคร้ายให้สิน้นไป เพื่อชีวิตที่ฝากไว้ในมือเธอเพื่อชีวิตที่ฝากไว้ในมือเธอพอลูกเกิดมาคุณแม่จิงฝังโปรแกรมความคิดลงในหัวลูกว่าลูกก่อลูกมา่อก่อดีนะแม่ฝันเห็นหกหลึงงโตขึ้นลูกจะเป็นอย่างอื่นไม่ได้ถ้าหกหลังจะเป็นหมอเท่านั้นตัางห้าหลึงนี่เป็นครูไม่ใหญ่เนสะียงมาลูกต่อขึ้น ก็ไปทำให้ท่านผิดหวัง<ม>เรื่องการเรียนแล้วมันก็เป็นเรื่องที่จิ๊บจ้อย<ม>ลูกเน่ะเรียนได้ดีเท<ม>่าที่เกรดที่เขาจะให้มามก็พกพาเกรดสี่เป็นอาชีพจนสอบติดคณะแพทยศาสตร์มหาลาัยขอนแก่นในปีสองห้าสามเก้าเป็นนักศึกษาแพทย์อยู่ในแผนกจิ ต, ตเวชลูกก็ได้ดูแลภาวะจิตใจคนไข้เด็กผู้หญิง ที่ถูกพ่อเลี้ยงคมขืนซึ่งยิ่งตอกย้ำแรงบันดาลใจให้ได้เป็นจิตแพทย์ตึกเปลวเทียนดวงน้อยในค่าคืนจะไม่มีแสงแม้สิ้นแรงก็ไม่วันไหวพอเรียนจบลูกก็ได้เป็นแพทย์รักษาผู้ป่วยจิตเวชสมใจที่เรงพยาบาลจิตเวชแห่งนี้เองผู้บรการอรอวัย์บาลมาเป็นญอดกัลยาณมิตร mm. ก็ได้มาเชิญลูกขึ้นมปฏิบัติธันที่บ้านแก่งแก้วจังหวัดเลย ในเดือนรกรกฎาคมบูดาซากราดสอันหนึ่งร้อยสีแล้วก็ชวนมา ว, วัดพระธรรมกายเริ่มพิธีรอเริ่มเหมือนทางคำหลวงปู่องค์ที่สามเนวันที่สิบตุลาคมมุทาซากราดสองพัน่งแต่นั้นเล่ายังเปิดเส้นทางใหม่ให้กับชีวิตนั่นคือเส้นทางบุญเราได้สร้างองค์พระธรรมกายทั้งหมด6อง์ทั้งคํงาด้วยตนเองและชักชวนบุคลาลีหมู่ญาติสุ เราทำงานอยู่หนึ่งปีกันลาออกเพื่อมาอยู่โรงพยาบาลเอกชนที่กรุงเทพจะได้ดูแลคุณพ่อคุณแม่และไปวัดได้อย่างสะดวกวันดีเข้าวัดการรักษาคน่า้ก็ลูกกเปลี่ยนไปไม่คิดรักษาแค่ชาตินี้แต่จะขอรักษาข้ามชาติคนไข้คนหนึ่งมาเร็งร้ายได้แพร่กระจายมอเดือนกุมภาพันธ์สองหสี่เ้าะมีการปวดกระดูกมาก แพทย์ดูแลเธอแต่ตัดสินใจให้มอร์ฟีนหยดทางหลอดเลือดเพื่อช่วยเธอตายโดยไม่เจ็บปวดเจ้า <No. S 1> ลูกก็ขอยับยั้งไว้และอธิบายแก่แพทย์ท่านนั้นคนหนึ่งคนไข้และญาติว่าการทำเช่นนี้จะทำให้คนไข้าขาดสติขณะละโลกต่อมาอาการเธอหนักขึ้นหายใจไม่สะดวกเอาเช่นในเลือดต่ำเรื่อยๆลูกก็เดยแนะนาให้พอและสามีเธอพูดทบทวนบุญ เอาหนังสือโลกปูสดให้ดูให้ท้องสมมาอราหังให้เธอนึกถึงองค์พระดวงแก้วเธอหลับตาแล้วบอกว่าเห็นองค์พระแล้วก็ละโลกไปอย่างสงบไม่จะรักษาโรคคนไข้มาหลายอะไรแต่โรคใจคือลูกนิสิกลับไม่มีใครนำมาช่วยรักษาลูกควายคว้าหาจิตเวทวีในอุดมกติอยู่หลายปี แล้วก็มีอันตั้งเลิกกันไปหมดทุกคนกันทำไมทำไมชีวิตของลูกช่างอาพับความรัก oh. แฟนคนแรกเลิกรู้จักตั้งแต่อยู่ชั้นมัธยมพ่านเขาล้ำหาเพื่อนในหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษพอคนแม่ทราบถึงก็คัดค้านเพราะเห็นว่ายังเด็กอยู่อถูกต้องจ๊ แฟนคนที่สองเป็นเพื่อนทางจดหมายสมัยมัธยมเช่นกันครั้นวันโลกเรียนแพทย์ปีสามเขาก็ยกระดับอัพเกรดบ่าขอเป็นเพื่อนใจแทนโลกตามใจไม่มีปัญหาจะเป็นเพื่อนอะไรก็ได้แต่ทีนี้มันไม่อย่างนั้นพอคบกันไปคบกันมาก็มีปัญหา คือเห็นก็ช่างเรียกร้องให้ลูกเห็นใจเนะี่ยเช่นซื้อของมาก็จะปล้ำบอกว่าเขานี่นะอืมลำบากทำงานเก็บเงินกูจะได้เงินมาแต่ละบาทแต่ะละสตางค์เนี่ยก็จะไปซื้อของ ส, อสวยๆให้เธอเนี่ยลำพึงลำบันเลยคือเขากลำลังบรรยายความตามใจเห็นว่า น, นี่นะให้เห็นคนุณค่าของของนี่นะ มันได้ไมายากจะต้องพูดท่า น, นพูดนี่กันเลยคบกันได้เพียงสามปีพล้ลูกจะเบื้อเบือ่อเบือ่อสุดๆจะบอกเขาบอกเธอไปคบกับคนอื่นไปก่อนเถอะเอาคนที่เขาทนการลำพึงงึงเธอไนดะ้สองคนผ่านไป ไวกว่าแสงแฟนคนที่สามเข้ามาแทนที่แฟนคนนี้เคยเป็นคนไข้มารักษาโรคลมชักเขาสืบหาเบอร์โทรลูกทางอินเทอร์เน็ตแล้วก็โทรมาเซอร์ไพรส์ลูกที่บ้าน แนะนำตัวว่าคุณหมอจำผมได้ไหมที่ผมเคยรักษาโรคลมชักอะลมชักแต่ตอนนี้ชักจะรักหมอแล้วลูกฟังแล้วก็เลยเกิดอาการชักชืวยชักใส่ชักสงสารยังไม่ถึงขั้นนั้น ชักงงงงเอ้นี่มันชักจะเป็นยังไงถูกต้องยโอเก่งยังไงก็เลยลองคบกันดูแต่คุณแม่นี่สิไม่ชอบเป็นแฟนไม่ชอบที่แฟนคนที่สาม่เป็นโลกลมชักบัคขนาตัวเองอย่ยปกป้องตัวเองยังไม่ได้ แล้ว น, นะภาษาเราจะมาปกป้องอะไรลูกได้พูดบ่อยๆลูกก็คล้อยตามเพราะลูกเป็นลูกสาวของคุณแม่นี่คะลูกก็เลยคล้อยตามลูกก็เลยบบกมือลาแฟนคนที่สามลูกจึงมาคบหาแฟนคนที่สี่โอ้ลูกก็เยเก่งจังเลยนี่ ตอนเนตแรงแต่การคบแฟนนี่แฟนแฟนี่แค่เพื้อ น, นมันจะเป็นอย่างอื่นนะดูใจกันก่อนที่ลูกดูใจกันก่อนดูใจว่าจิตใจเขาเป็นยังไงแล้วก็ววาแจ่งแล้วาาค่อยไปดูตัว ดูตัวอจริงๆนะต้องต้องดูใจก่อนถูกใจรับพิาู้ลรรูปสวยรวยทรัพย์นับพิชามรยาทชาติผู้ดีมีศิลธรรมรูปสวยรูหลรอมั้ยรวยมัยเพราะถ้าก็ไม่รวยมันจะมีแรงกดดันสงครามเศรษฐกิจจะเกิดขึ้นภายในบ้านนับพิชาเา มีวุฒิทางการศึกษายงไงมารยาทเป็นไงขา่าวผูหลักผู้ใหญ่มีความอ่อนน้อมถ่อมตนเหมือนชาวสุรุ้มไหมออะไรต่างๆเหล่านี้ตั้งเดิมะกระดูตรกูลที่ก็รรรรสืบทอดชาติผู้ดีหรือเปล่าะก ร, ระตรกูลสืบดูอ๋อปูงปู่ปูงปู่ปูปปอืมเป็นคนที่มีศีลมีธรรมนะ รักพระพุทธศาสนาวัฒนธรรมชาวพุทธรักเดียวใจเดียวอะไรต่างๆเหล่านี้แล้วก็ดูต่อไปว่าคนที่เราครบนี่มีศีลธรรมเหมือนมันเราหุดเขาไห ม, มนี่นี่ใช่ดูช้างให้ดูหางดูนางก็ให้ดูใจก่อนอใจนางเหมือนอย่างทางรถ ด, ด้วย <S <S <S อาจึงไหนพวมนี้ชวนคุยเลยมาคบแฟนคนที่สี่ <c oughs> อย่าลืมนะจ๊ะเราต้องดูใจกันก่อน <c oughs> แต่ว่ามั่อไหล่ทําถูกหลักวิชาไปจดทะเบียนอะไรแล้วก็จัดแต่งอะไรเรียบร้อยแล้วตัดสินใจจะเป็นคู่ชีวิตกันแล้วอย่าลืมว่าเรากำลังจะเลือกพ่อของลูกหรือแม่ของลูกนะ <c oughs> แล้วเลือกคู่ชีวิตที่จะมาเคียงข้างเรา ที่จะสร้างบารมีรวมนั้นเนี่ยมีศรัทธามีศีลมีทิฏฐิเสมอกันหรือเปล่าศรัทธาในพระรัตนตรัยเหมือนกันไหมศีลห้ามีเหมือนกันไหมเห็นไหมจ๊ะแล้วเป็นสมาธิเหมือนกันหรือเปล่าเชื่อเรื่องบาป บ, บุญกุณโทษประโยชน์ไม่เชื่ประโยชน์อะไรต่างๆตอนนี้เป็นต้นครับเป็นต้นนะจ๊ะเออท่านดูใจดูอย่างนี้แล้วต้องดูกันนาน จะครบก็ต้องครบกันนานๆเพราะประเดี๋ยวประดาวนี่มันสร้างภาพกันได้ใช่คือจะให้เขารักเรามันก็ทำตัวให้น่ารักนี่เลยใช่ต้อง ด, ดูดูดูตอนเขาเหล่นี<ช>่ดูไปเรื่อยๆเลยนี่ดูใจกันก้อนแล้วก็มีระยะมีระยะ อย่าให้คาสึกบุกกระชั้นชิดต้องใช้พลังเสตี้หรือพลังยันไปก่นนอนขอกมาก็ช้าก่อนแล้วไอ้ที่วัฒนธรรมทดลองอยู่กันก่อนแต่งเนี่ย<อ>ไม่ถูกหลักวิชาไม่ถูกไม่ใช่ทดลองวิทยาศาสตร์รไอ้นี่นมันเอาจริงแล้ ว, วมันเอาจริงแล้วนะแปลว่ายังไม่เข้าใจเนี่ยว่าความรักนี่เพื่ออะไร ชีวิตคู่นี่ไม่ใช่ของนองเล่นมันเป็นสิ่งสูงส่งอาจารย์นี่เรื่องสำคัญเดียวสักิ์สิทธิสาคัญที่เราจะให้เป็นทางมาผ่านมาของกายละเอียดมาเป็นมนุษย์มาสร้างบา ร, รมีแล้ยกฐานะของเราขึ้นไปเป็นพ่อเป็นแม่ที่เหนือจากการเป็นภรรยาสามีมันจะมีขั้นมีตอน เป็นคบ่รักกันเป็นสามีภริยาแต่งงานเป็นสามีภริยาแล้วก็เป็นบิดามารดาเป็นครูเป็นเทวดาการต่างเป็นพระพลมพระอาหารหันต์ในบ้านนี่ไหมจ๊ะถูกยกระดับตรงนู้นมันต้องมีขั้นมีตอนของมันอย่างนี้จึงจะถูกหลักพิจารณาทดลองกันอยู่ไม่ใช่ไม่ใช่ลูกจะมาคบหาแฟนคนที่สีซึ่งเป็นนมวิศวกร ึ่งเคยเติวให้ลูกสอบเอ็นทานคบหาแฟนคนที่สี่ไปได้สองสามปีลูกก็เปลี่ยนฐานะแฟนคนที่สี่ให้กลายเป็นแค่แฟนเก่าทิ้งแฟนจะกรทิ้งกระทิชิวแต่เขาสิยังตามลูกมาวัด แลวก็มาร่วมทำบุญอย่างสม่ำเสมอบอกอ่ะเธอถึงจะไม่คิดเป็นแฟนแต่ขอร่วมบุญด้วยอย่างนั้นไปเกิดเป็นแมวที่บ้านเราเพราะอะไรจะขนาดนั้นส่วนแฟนคนปัจจุบันก็ไม่คอยจะเห็นด้วยกับเรื่องวัดอันนี้แปลว่าค้นที่ห้าสิไม่บอกเลยนะที่ไป่คอยเห็นด้วยในเรื่องวัดเพราะเพราะน้อยใจ เกิดความกลัวกลัวว่ากลจะเลิฟหลวงพ่อมากกว่า เ, <อ>เลิฟเขาเอากระถูกต้องนะรีบๆมาเลิฟๆแล้กำลังเปิดโอกาสไอเ้เลิฟเลิฟครูไี่ใหา่จะได้ชวนไปสุดที่สุดแห่งธรรมเดี๋ยวเอามาบวชให้หมดเดี๋ยวจะเลิฟหลวงพ่อมากกว่าเลิฟเขา แต่เขาก็ตามมาวัดบ้านตามบรมนี่แหละเงีแฟนเก่าคือแฟนคนที่สี่วันที่6มกราคม2549เื่องพรบค่ำจะขับรถชนแม่ลูกคุณหนึ่งซึ่งกำลังขี่จักรยานข้ามถนนที่ต่างจังหวัดจนเสียชีวิตทั้งคู่อาจริงจัดตัดสินใจบวชเพื่อที่สุนบุญกับเธอทั้งสองเป็นเวลา7วันบวชแบบนี้นี่ ท่า น, นบวชทำพระนิพพานในแจ้งในด้านสุขภาพลูกนั้นเดิมลูกมีตาชั้นเดียวนี่ไม่มีลาเต้งเนยนอกจากมีตาชั้นเดียวเนี่ยแถมมีขนตาด้วย <c oughs> คือขนตามันมาปิดลูกในตานี่ไงทำให้<ะ>ดวงตาของลูก ดูโรยลินนวงตาดูโรยลินมองดูรีบหลีกคล้ายๆคล้ายๆ ค, คนง่วงนอนลูกก็เลยไปหาคุณหมออีกท่านหนึ่งเพื่อที่ทำตาอ้าพาตัดทำเราเตงทาตาสองชั้นจากหน้าเด้งก็เปลี่ยนเป็นหน้า เด้งดูดีขึ้นนอกจากนี้โลกยังแพ้ลิปสติกบินสอเขียนปากจนปากคล้ำคล้ายคนสูบบุหรี่ซึ่งในรักษาสีที่ปากอ่อนลงแล้วเดี๋ยวต้องจำในเจ้าที่ที่เล่าฟังเพราะเดี๋ยวจะเป็นคําถามปากคล้ำแต่ก็ักษาสีที่ปากอ่อนลงไปแล้ว อีกท่านยงเป็นโรคเส้นเลือดคอดที่ขามีอาการปวดเป็นวักๆโอ้โรคเยอะอย่างนี้มาบวดเดอ้อะน้องสาวคนรองก็เป็นแพทย์จะเป็นแพทย์ทั่วไปเธอร่วมทาบุญทุกครั้งที่ลูกชวนเธอพาจับเนื้องอกครังไขามาปีสองอ้าสี่สี่โอ้สงสารคนนันเป็นรังแห่งโรคจริงนะพี่จะเจอกันเนีถ้าจะเป็นแฟนกันนีด มันมีคำพูดนะนี่เธอสังขารนี่เป็นรางแห่งโลกนะดูที่วิจารักกันไวนะ้นะเวลาคุยกันนะร่างกายของเธอนั่นเนะ่เหมือนถุงหนังที่มีรูพุนให้สิ่งปฏิกูลมันไหลออกทางดวงตาบางทางโอ้ทางจ ม, มูกทางปากทาง กุ้มขนเล่ยต่างๆจะรักกันลงไหมเนี่ย <laughs> ถ้าขึ้นไตเติ้ลนะมสมมติเราดูเรียยงไปแล้วคุยเพื่อให้ใจยเย็นๆ <laughs> <laughs> <laughs> ดูวันนี้เนี่ยเธอแกอ่กว่าวาน <laughs> <laughs> ซึ่งก็จะคาดการในอนาคตว่าเธอจะแก่กว่านี้ <laughs> <laughs> จะแต่งกันไหมเนี่ย <laughs> นี่ ยังรักกันอยู่เปล่าอย่างนี้นี่ถ้าเจอกันนี่นะเดี๋ยวมาเอาคำมึงครูผู้ใหญ่ไปเนี่ยไปไปพูดเนี่ยไม่กี่ที่เราก็เดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยตานครูผู้ใหญ่เรียนหนังสืออยู่เนี่ยครับไม่มาหาหรือครูผู้ใหญ่นะมันเลิกกับหมดทุกครูเลยโอ้ร่างกายเป็นสิ่งปฏิกูล เป็นอสุภะไม่งามเนี่ยเราต้องดูแลตลอดเลยแค่ไม่อาบน้ำวันหนึ่งนี่ก็เหลือเฟือไม่แปลงฟันอีกเ oh. หอเมนจ๊ะ <Okay. S 1> นี่เราไปคุยกันอย่างนี้มึงสิ <laughs> แล้วเราจ ะ, จะลดปริมาณแฟนลงไปได้เยอะเลย <laughs> <laughs> นักสาวคน เ, เล็กกำลังศึกษาคณะเพสัชศ mm. าสตร์เธอไปรคภูมิแพ้สงทานยาเวลามีอาการคุณผู้เสียใจไม่ได้รปอดเมื่อปีสองห้าสสี่ สุนียาเสียชีวิตเมื่อปี2548ที่เส้นเลือดในสมองอุดตันที่เกิดภายหลังจากกระดูกขาหักแล้วคุณตาเป็นคนเจ้าชู้มีปรรยาหลายคนคุณตาเสียชีวิตเพราะถูกคนรอบยิงยายลูกเป็นภริยาคนแรกของมุณตาเสียชีวิตจากเส้นเลือดในสมองแตกล้วนตายหมดคุณตานทำเป็นคนพ่อจึงถูกหวยบ่อยๆบุญที่ลูกสร้างพระให้ท่านจะช่วยปิดาบายท่านพ้นจากวิบากกรรมติดหวยและสุราได้หรือไม่ กรรมใดท่านยังไม่ได้ลูกชายสมปรารถนากรรมใดเมื่อคุณแม่อยู่ในครรภ์ยิงทาให้คุณยายอยากกินเลือดหมูพอเกิดมาทำไมคุณแม่ก็ดิ่และรองคล้ายถูกคล้ายหมูถูกเชือดกรรมใดท่านตมามธละกับคุณพ่อด้วยเหตุเริ่มต้นแค่ว่าลูกในท้องไม่ใช่ลูกชายพราณี น, นี้จะตางจากผู้หญิงที่ถูกสามีทําร้ายด้วยวิบากรรมกาเมยางไรถูกทำลายราะว่าไม่มีลูกชาย กรรมใดที่ทำใคุณแม่เป็นโรคปืนแพ้ผิวหนังที่มีอาการคล้ายโรคสะเก็ดเงินนาหลายเดือนกรรมใดในขณะที่คุณแม่ตั้งท้องลูกตัวลูกทำให้คุณแม่ป่วยเป็นถึงสามโรคคือตอมน้ําเหลืองที่รักแล้โตปัสสะแสบขัดเลือดออกตามลาฟันกรรมใดท้ายงกากู้ลูกเกือบต้องละโรคด้วยวิธีให้มอร์ฟีนจากแพทย์ก่อนละโรคเธอใจใสหรือหมองธอเห็นองพระจริงหรือไม่ ขณะนี้เธอหยุดพบภูมิใจทํา ไ, ไมลูกซึ่งรู้สึกรักและผูกพันกับเธอควรจะเป็นต้นคนต้นคิดวิธีรักษาแบบให้เมอรฟีนี้เขาจะได้รับผลอย่างไรบ้างผลนี้จะส่งแก่เขาไปต่อตลอดต ร, ราบเท่าที่มีผู้ใช้วิธีที่เขาคิดค้นหรือไม่อย่างไรวิธีรักษาคนไข้แฟนเก่าคนที่สี่เคยทําความร่วมกับแม่ลูกคุณนั้นเป็นอย่างไรจะมาขับรถจนทั้งสองคนงเสียชีวิต กรรมใดทำให้น้องสาวกรณ์ต้องผ่าตัดเนื้องอกทีร่รังไข่และน้องสาวาก็เลยเป็นโรคภูมิแพ้และจะแก้ไขได้อย่างไรน้องสาวสองเคยไปกรงสานกักกระลูกมาอย่างไรและสร้างบ ร, รีกบีมบกำหนดมาอย่างไรกรรมใดใช้คุณปู่เสียชีวิตด้วยโรคปอดและคุณย่าเสียชีวิตด้วยโรคเส้นเลือดสมองอุด ต, ตันปัจจุบันน้องสองอยู่ในภพภูมิใดกรรมใดทําให้คุณตาเสียชีวิตจากการถูกลอบยิงคุณย่าเสียชีวิตเพราะเส้นเลือดในสมองแตก ปัจจุบันนั้นสอนอยู่ในพบภูมิใดคุณพ่อคุณแม่เคยมีความสมัมพันธ์กับลูกมาอย่างไรกวามมาเกิดลูกมาจากไหนและเพราะอะไรลูกจะมาเป็นจิตแพทย์มีอัธยาศัยชอบช่วยเหลือผู้อื่นกรรมใดลูกจะมีดวงตาชั้นเดียวที่มองดูคล้ายคนง่วงนอนอแพลิฟิกและดินสอเขียนปากจนปากคล้ำคล้คลายคนสูบบุหรี่บุญใดทําให้ลูกได้รับการรักษาจริงการดีขึ้นได้และกรรมใดทําให้เป็นโรคเส้นเลือดขอดที่ขา แฟนคนปัจบัแลแฟนเก่าจะบอกคนที่สี่แฟนคนปัจจุบันและแฟนเก่าเฉพาะคนที่สี่เคยมีความสัมพันธ์กับลูกมปนอย่างไรลูกบอกเลิกแฟนก่อนแสดงว่ามีวิบากกรมกรมกาเมงน้อยกว่าผู้หญิงที่ถูกแฟนทิ้งหรือไม่อย่างไรแต่แค่จะเฉือนนิก่อนเฉือนนิดวิบากกรมกรมการเมงลูกยังเหลืออีกมากน้อยเพียงใดและควรแก้ไขตัวเองอย่างไรบ้างอ๋อ อย่างนี้ใครๆก็ตอบได้ลูกสร้างบารมีกระมุกระหน้ามาอย่างไรคนสร้างบารมีนอกวัดหรือในวัดมากกว่าคะนอกวัดดีแล้วลูกคือมันจะได้กว้างขวางขึ้นลราจะได้รักษาคนไข่อะไรอย่างนี้นงนไงลูกมีวิาบากกันรรมใดที่ทําให้คุณพ่อคุณแม่และแฟนคนที่ห้าไม่เห็นด้วยกับการสาร้างบารมีของลูกออื คะแนนแทบเป็นคะแนนเลยเนหะตุใดเวลาลูกนั่งสมาธิมักไม่ชอบภาวนาะชอบนั่งนิ่งๆมีนึกอะไรผู้ที่นั่งสมาธิแล้วชอบนึกลิมิตกับผู้ที่นั่งสมาธิแล้วชอบท่องคอนะําภาวนานั้นเขาสร้างเหตุเริ่มต้นในอดีตมาตายจากลูกที่ชอบนั่งนิ่งๆอย่างไรแต่ลูกมักง่วงนอนในเวลาทําสมาธิจะแก้ไขได้อย่างไรเราสันนิษฐานดิ ก็ลืมจ้าให้ไปนั่งในตุ่มแล้วก็เปิดฝาโดกโวล์ผลการปฏิบัติธทรมในดิ่งโลกเป็นอย่างไรบ้างเจ้าคะจำเรื่องาราวและคำถามได้ไหมจ๊ะจำได้ ลับตาฝ่ายมันตุมิตาเตืองขึ้นมาถาหนึ่งีแล้วก็นำมาไล่ฟังปนันญาปรมบาลากันจ้าเร า, ามาช่วยกันสน่้น่ากันยจ้าคุณพ่อถูกหวยบ่อยเพล่จะลากกระพับอืมแนะดีเวลาท่านทำบุญมักจะธิศฐานได้ลาบลอยเสมอสมือ ม, มาแต่ทำบุญไม่มากนะักบุญนี้จึงส่งผลด้ทิดซั์แบบลาบลอย แต่ก็ไม่ทำให้รวยเจะแค่พอผ่านๆไปนยจะจะทำให้อยู่ในวงจรนี่สิวงจรนบอายามุกเนี่ยบุญที่ลูกสร้างพระให้แตงกับเระจะช่วยท่านได้บ้างถ้าทำไม่เล่นหวยหรือดื่มสุราเป็นอาชีพคือทำให้ท่านไปไปมหารนรกแต่ไปแค่โ <laughs> ย ม, มโลกจ้ะแล้วเราทำให้ท่าน แต่ถ้าท่านทํากรรมอย่างเนี้ยเป็นอาชีพและตัวลูกทําบุญให้ท่านเพียงแค่นี้ก็ยากทีจะปิดมหานโลกให้ท่านได้จะจะปิดได้ก็จะเมื่อท่านเลิกทําบาปกรรมนั่งกล้าวเลิกเล่นหวยและดื่มสุราแล้วก็หามาสั่งสมบุญในตัวท่านเองจะทําไม่ได้ลูกชายสมปร า, ารถนาเพราะน่าดีที่เคยมีลูกชายที่นำแต่ความเดือดร้อนมาให้ อธิษฐานว่าชาติต่อไปจะได้มีลูกชายเลยท่านก็บูเบย์อยากใหย่จังนี่เลยจ้ะพอมีลูกชายไปสมบัติชนารอธิษฐานหนาเอาแลชาติต่อไปอมีลูกชาย เ, ยเอาพอชาตินี้ไม่มีลูกชายก็อยากจะมี อ, อย่างเงี้ยอืคนเรานี่มันก็อ ย, อย่างเงี้ยเนะาะเมื่อคุณแมู่่ในครรภ์คุณยายอยากกินเลือดหมูสดเพราะ นี่ี้คุณแม่ชอบไปนับถือเจ้าแลว้วแม่จะชอบบนบางกับเจ้าว่าถ้าทำสิ่งนี้ได้สำเร็จก็จะแก้บนด้เลือดหมูสดคือไปติดสินบนเจ้าเนะี่ยอิสัยนี้ก็เลยติตตัวมาบรรดานให้ยายอยากกินเลือดหมูสดจ้ะแม่เป็นกรรมของลูกลูก อ, อยู่ในคันบรรด้ ก็แม่เกิดกัแม่ก็ดินและรังเหมือนหมูถูกเชือบเพราะกำเนิดดีที่ฆ่าหมูแล้วเอาเลือดหมูเส้นสารเจ้าดังกล่าวนำมาส่งผลจ้ะถ<อ>้าทะเลาะกับพ่อดีเหตุจะไม่มีลูกชายเพราะเป็นภาพในอดีตของแม่สมัยที่แม่เป็นผู้ชาย<อ>นี่ดูจะหญิงกัาชายไหมสลับกันพอเวลาเดิมเล่าเมาแล้วก็มักหาเรื่องทะเลาะกับภระระยาดีเหตุต่างๆมิบาคำนี้มาส่งผลนี้มาเจอสามีที่ชวนทะเลาะด้วยเหตุต่างๆเช่นกัน ส่วนเรื่องทะเลาะ ด, ดการไม่มีลูกชายนั้นก็เป็นเพียงแค่เหตุหนึ่งเท่านั้นจ้ะคุณแม่ไปเรา่าผิวหนังคล้ายเร่าสะเก็ด เ, เงินพระวจีกันในอดีตที่เคยด่าว่านักบวชผู้มีศีลธรรมมาส่งผลจ้ะเพราคุณแม่ตั้งท้องตัวลูกท่เป็นโลกต่อมน้ำเหลืองที่ ร, รักแล้โตปัสสะแสบขัดเลือดออกตามไรฝันพระ กรรมในดีด้ฆ่าสัตว์เล็กสัตว์น้อยมาส่งผลที่ต่ำน้าเหลืองที่รักและโตแล้ววิจีกันที่ชอบสบดคำหยาบบางครั้งก็เป็นคำหยาบหมายถึงอวัยวะของผู้หญิงผ<อ>สมผลให้ปัสสาวะแสบกัดและเลือดออกตามไรฟันจะเกี่ยวกับวิจีคําเป็นเรื่องหลักอชอบสบดคำหยาบคนไข้ลูกเกือบ ละโลกด้ยการให้มอร์ฟีนของแพทย์นั้น mm hmm. ก็ไม่ได้มีกรรมใดเพราะไม่ได้เพราะว่าไม่ได้ละโลกแต่เป็นกรรรนารปธิบาตของไข้หลายๆอย่างมาโดนส่งผลให้เป็นบาแดงที่ลามทต้งตัวจ้ะ mm hmm. ตายแล้วดิวจายติใสระดับหนึ่งดยการอห่งกุศลนิมิตเป็นองค์พระจึง mm hmm. ท, ทำให้ ไปเกิดเป็นเทพธิดาสุดสวยมีวิมานทองชั้นดาวเดืองเฟสดามจ้ะที่ตัวลูกนี่ไม่ใช่ว่าแม้หมอเนี่ยหมอพยาบาลสำคัญมากถ้าแนะนำนี่ อ, อย่างนี้บอกคนดังสว่างให้ครับผู้ไข้แล้วก็จะมีอดีสองอีงไม่ใช่<อ>นี่เห็นองค์พระเป็นกุศลนิมิต ทำไมเกิดเป็นเทศติาดาสุดสวยมีผู้ป่วทองชั้นดาวดึงเฟสสาม oh. ที่ตัวลูกรู้สึกผูกพันกับเธอเพราะเคยสร้างบุญรอรุ่มกันมาในอดีตและความเกรื้อกรูงในปัจจุบันจะ <Yeah. S 1> ที่เป็นต้นคิดในการรักษาคนไข้แบบให้มอรฟีนี้ก็ไม่ได้มีวิบากกรรมอะไรเพราะเป็นจุดประสงค์ในการแพทย์ที่จะรักษาผู้ไข้จะ <Yeah. S 1> ต้องให้พอดีพอดีเพื่พอบรรเทาะงับอาการปวด ไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ให้คนไข้ติดมอร์ฟีนใช่แฟนเก่าคนที่สี่ขับรถจนสองแม่ลูกตายเพราะได้ดีเคยเป็นคู่เวรกันมาแต่แม่ลูกจะเกิดในสังคมเกษตรกรรมได้เลี้ยงวัวไปใช้งานจนแก่เมื่อมันทำงานไม่ไหวก็เลยเอามาเชือดกินทำให้วัวแก่ตัวนั้นผูกอาคาไปบ่าจะมาฆ่าตอบแทนบ้าง แล้วต่างก็ไปเวียนไหว้ใจเกิดเมตตาเป็นนั่นเป็นนี่อะไรกันไปกระทั่งชาตินี้มาเจอกันโดยวัวเนี่ยมาเกิดเป็นคนคผู้ได้ผ่านนี่ได้ ค, คือแฟนคนที่สี่ของลูกนั่นเองเลย<อ>มนุษย์มันก็จะเป็นอย่างนี้ชีวิตในแสงสารวัตรจะเป็นยัอืมเห็นแล้วสลดใจนะมีแฟน เอามันน่าสลดใจนะเอาเราลองคิดจริงๆมีแฟนซึ่งอดีตเป็นอย่างงั้นบัวแขกกรรมเด็กเคยฆ่าบัวของแม่ลูกที่ผูกกรรมากับบัวก็ดึงดูดให้มปเจอกันในสภาพที่ถูกขับรถชนตายอ่ะมันดูดกรรมมาดูดก็มาอ่ะ ต่อมาแฟนคนที่สี่ก็บวชให้แม่ลูกทั้งสองกระต่ายบุญที่ไปตัดปลรนเวรที่ผูกกันไว้หมดสิ้นไปแล้วนี่แซมหมดสิ้นไปแล้วแต่แฟนคนที่ห้านี่สิไทสาบเป็นอดีตอะไรเนี่ยเราก็เดี๋ยเพิ่งไปสัญญาเพราะเติมไม่ได้ถามมาไปสันนิษฐานเรากันเองกันละเรื่องแฟนคนที่สามสองแล้วหนึ่ง มันมันน่าคิดนะก็ราบวดเยอะ <c oughs> น้องสาคนลองต้องตักเนื้องอกที่หลังไข่พระเป็นการการเมิดเจ้ชูในสมัยที่เกิดเป็นผู้ชายพวโรกกรรมบานาฏิบาติฆ่าสัตว์ทำอาหารมาส่งผลจ้ะน้องสาคนเล็กเป็นวโรกภูมิแพ้พระกรรมฆ่าสัตว์เล็กสัตว์น้อยเช่นบีมดตบยุงข่าหนูแมลงสัตว์ <c oughs> เป็นต้น <c oughs> มารวมส่งผลจ้ะ เอาหมดเลยก็มันอยู่มันก็ได้ก็สร huh> ้างบ้านในมันนะใกล้ทั้งสารสองคนสร้างบุญทุบุญทังการสีพรงค์นาปล่อยสัตว์ปล่อยปลาให้ชีวิตสัตว์เป็นทานแล้วที่บุญสุศนี้เกศสัตว์ที่เราก็ไปบีบเบียงเขาไว้ให้ทําบ่อยๆจ้ะทังสารสองเคยเป็นพี่น้องกับตัวลูกแล้วได้ชวนกันมาสร้างบารมีจ้ะทั้งสองคนก็เป็นกลองเสบียงของบุคคลนัมาจ้ะเคยปวดเสีชีวิตในโลกปอดพระ การแน่ดีที่ฆ่าสัตว์ทำหาและฆ่าขายออกซิเกตผู้ว่ายจะมาลงกับการสูบบุรีน่นำมาส่งผลจะแต่แล้วก็ไปเกิดใหม่เป็นมนุษย์แล้วจาไม่อาจจะรับบุญได้คุณญาิเสียชีวิตด้วยเส้นเลือดสมองอุดตันเพราะการฆ่าสัตว์รำอาหารได้ทุบหัวสัตว์ก่อนทั้งอดีตและปัจจุบันนำมาส่งผลจะแต่แล้วก็ไปเกิดใหม่เป็นมนุษย์แล้วจาไม่อาจจะรับบุญได้ บรรดาเสียชีวิตจากการสูกระลอบจริงเพราะเป็นคู่เวรกันมาได้พลัดกันฆ่ามาหลายชาติแล้วแต่แล้วก็ถูกเจหน้าที่พาตัวไปจำนโลกขุมกาเมจชูช้ก่อนกำลังปีนต้นยิวอยู่ย<ด>ทุกสัมมานมากจ้ะคุณชายเสียชีิตเสียชีวิตด้วยเสลือดในสมองแตกเพราะการมฆ่าสัตว์ทำอาหารเวลาฆ่ากับมักทุบหัวสัตว์อยู่บ่อยครั้งทั้งในอดีตและปัจจุบันนมารวมส่งผลจ้ะแต่แล้วก็ไปเกิดใหม่เป็นมนุษย์แล้จ้ไม่อาจจะรับบุญได้ คุณพ่อคุณแม่กับตัวลู ก, กเคยเป็นพ่อแม่ลูกกันมาในอดีจ้ะก่อนมาเกิดก็มาจากคริสต์วางมีอัตยริยะใเป็นคนมีน้ำใจเป็นผู้ให้ติดตัวข้ามชาตะะินจ้ะตัวลูกอะส่วนการเป็นจิตแพทย์ก็เป็นเรื่องของอาชีพปัจจุบันจะ้ะตาลูกมีตาชั้นเดียวคล้ายคนงุ่งหนองเพราะบัจจิกามบัจจีกรมถูกต้องจะ้ะเคยไปร้อเรียนเพื่อนที่มีลักษณะอย่างนี้ จะทำให้เขาอับอายนำมาส่งผลเจ้าแพลิสติกไรดินสอเขีนปลายจนปากคล้ําคลาดคนสูบุหรีเพราะวจีกรรจีกรรถูกต้องจ้าวัจีกรรมใดดีที่เคยไปเล่าเรียนเพื่อนที่ปากดำํำจนเขาอับอายมาส่งผลจ้า<อ>ต่อมารักษาจนมีการดีขึ้นพระ<อ>เพราะบุญที่พูดธรรมะชักชวนคนทําความดีมาส่งผลช่วยไว้เจ้าน<อ>ี่<อ>คือ ปากเนี่ยดีอยู่แล้วเแต่ไอ้คำพูดเสียๆมันออกจากปากแล้วเขาก็พูดย่อๆสั้นๆปากเสียใช่ตั้งแก้ในการพูดเอาคำพูดดีๆคือธรรมะพูดทำให้ปากที่เสียไปแล้วนั้นเป็นปากดีนี่ไงเออนี่มันขึ้นอยู่ก็ว่าใช้อะไรแตรูปเป็นเ้นเลือดขอดยครับเพราะกำเนาดี ถูกต้องจ้ะได้ไปล่ามขาสัตว์เล็กในบ้านเช่นสุนัขแมวได้ผูกขามันแม่ให้มันเพ่นพ่านจนมันทุกข์ทรมานมารวมส่งผลจ้ะแหลกนะมนุษย์นะอยากเลี้ยงสัตว์ครับแต่ไม่ชอบไปมันเพ่นพ่านเบางคนไม่ชอบไปมันเดินเอามาอุ้มไว้อุ้มลูกลกอุ้มจนกระทั้งขาไม่จะเป็นง่อยกันแล้นจะเด้ไม่เป็นนะด็ อุ้มแล้วก็พออุ้มเขาเนี่ยส่วนหัวมันก็อยู่ใกล้หน้าเราหน้าคนอุ้มที้มันจะแสดงความรักนี่มันก็จะอ้าปากแล้วมันก็เอาทำไอ้กริยาที่มันถนัดยืดลิ้นกห้มันออกมา ออกมาแล้วก็อย่างนั้นนะแต่น่ารักอะไรเงรี้ยแปลกดีเนะมนุษย์นะแปลกมากเลยเขามีคำบางเพอโบราณเขาบอกว่าอย่าเล่นกับสากสารกจะเตียวหัวก่ขอนหน้า น, นี้อะไรนะเล็บกับมามาดีป่า อาจำได้แต่ท่อนหลังอย่าเล่นกับสากสากจะตีหัวแปลว่าข้างหน้าเขาต้องอย่าเล่นกับมาหมาจะเดียปากแตมันเนะปล่อยๆมันไปตามเรื่องมันที่กติของครูไนะู่ใหญ่เนียมีอดีตขี้เมาแล้วคลานเนี่ยนะมันมาอย่างอง อ, งอาจเลยรูปร่างคล้ายมังกร แต่ลิ้นมันคูณสองลิ้นคูณสองนี่ใช่แปลกดีเหมือนลิ้นมังคูณสองเหมือนมีสองลิ้นเงมือแปลกดีแฟนคนปัจจุบันและแฟนคนในสี่ก็ไม่ได้มีบุญ ล, ลึกกรรมพิเศษร่วมกับมาแนด่ดีดเนี่ยคือยังนี่ยังระลึกนึกถึง เปนแค่เรื่องคนปัจจุบันที่เขาผ้ากันด้กิเลสในใจของแต่ละคนแล้วก็เลิกลากันไปไม่ใช่หมดกิเลสนะแต่หมดรักกันลูกบอกเลิกแฟนก่อนที่แฟนบอกเลิก <c oughs> ก็เเรื่องกิเลสในตัวแต่ละคนละจะ้ะ <c oughs> แต่ก็มีกรรมการมีเช่นกันละจะ้ะจะบอกก่อนบอกหลัง <c oughs> เมื่อเงิน <c oughs> <ๆ>แม่นเดียวกันลูกสร้ายเรามีกมับหมกคณามาได้เป็นกองสเสบียงแต่ลูกเป็นกองเสบียง่ และควรจะอยู่รวยข้างนอกมันอยู่นอกวัดไงไปรวยเลยท ร, ร, รัพย์เพราะลูกเที่อยู่นอกวัดพระลูกมีเสน่ห์มากแต่บอกมาในเคสแค่ห้าคนเท่านั้นแต่ลูกไม่ได้บอกมั น, เนีเป็นแม่พวกมีงๆมีงมอ ง, ม อ, ง อ, อีกเยอะเลย ลูกอยู่ที่บ้า น, นเดียวนี่ขนาดไอเมียงมองเยอะๆนะแต่ลกูกยังมีบุญชวนคนทําความดียังไม่มากเว <c oughs> ลาสร้างเป็นอุทิศฐานให้เกิดในครอบครัวธรรมกายจ้ะ <c oughs> ถึงเป็นอย่างนั้นแหละเว <c oughs> ลาลูกนั่งสมาธิชอบนั่งนิ่งๆไม่ได้คิดอะไรเลยนะั้นก็เป็นเรื่องธรรมดาถ้าถ <c oughs> นัดอย่างนั้นนะจ๊ะเพราะนึกนี้เป็นแล้วมันก็สบายไม่เป็นไรหรอก <c oughs> ให้ําตามที่ลูกถนัด พนังสมาธิบางคนชอบดึงลิมิตกับบางคนที่ชอบท่องภาวนานี่ยก็เป็นเรื่องการสั่งสมวัตถยาศัยอย่างนี้มาและช่วงจังหวะของใจในช่วงนั้นเป็นอย่างนั้นเลยจ้ะแต่ก็สามารถเข้าถึงรัธรรมกายในตัวได้นะจ้ะเราบังง่วงนอนตอนนั่งสมาธิก็ไม่เป็นไรง่วงก็หลับเมื่อกะหยับฟุ้งก็ลืมตาจ้ะพุทธนานที่ผ่านมาก็มีผลการปฏิบัติทําที่เห็นดวงใสๆกับเขาเหมือนกัน ออตัวรอดกลับดุสิตบุรีได้จ้าสาธุชาตินี้มาเจอกันแล้ใกล้ตั้งใจสร้างบุารมีเต็มที่ในทุกบุญและอธิฏฐานจิตตามจิติปดุสิตบุรีวงบุญวิเศษเขตบรมโอภิษัทจะได้พลัดกันเลยจ้าสาธุนี่ก็เป็นเรื่องราวของเทศทัศน์ที่สั้นๆสำหรับคืนนี้